ไฮลว่าจิ้มทั้งหลายเลนี้มันอยู่สถานใดไฮโลจักทุกีสถานนั้นอยู่ถานนี้เราก็จะถอาไปหาทุกีสถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะวิ่หนีเพราะเราไม่ต้องการในลักใตาองไจักเนี่ยถ้าแล้วไจักที่อย่แล้วเราก็ไปม่ถูกนี่ใน เทราบ้านเมืองของเราที่ตึ้งของเราพากรรมนับถือคุณพระพุทธเจา้าคุณประธรรมคุณผูสมเป็นฉดณะคือขึ้นเครื่องเป็นที่กราบที่ไหวและเป็นที่สักรบูชาเปนที่ครบหมดนามนะพากัลึกว่าพระพุทธเจา้าอยู่ถานใดพระธรรมเหตุฐานใด พ้าอริยสงฆ์าวีิสถานใดหาฤกษ์จิตฐานที่อยู่และจิตถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติภูและเข้าไปหาคูเือนี้าาว่าเราถือพุทธรรมสองฉบับพุทธธรรมที่ไหนสองนี้นนนนนนาานที่หมายว่าเมื่อเราก็สอบนอนอย่างนั้นแน่ในสัดจะกิดคาถาบากว่านักพิโมยประนังงนยันเนี่ย ลายใจความมากที่ซึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีนับทิ่ไม่มีอะไรโดยที่พึ่งได้มากไปสามลอกนี้เนี่ยมัติเมสระนังอันยมที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นมนน ม, ม่มีไไมมาาามตาคนนั่นซ่งนี้ไม่มีเนี่ยตาสรโลดจักได้ทำที่สุดไปแล้วอ ะ, อะไรไปที่พึ่งททรเราฟุตโทเมสระนังวะลัง มีแต่พระพุทธเจา้ามีคนที่เพ่มประเสริฐเ่านี้ดูสิอันนี้แถวที่สิบสองพุทธนัทธิเมย์สระนังยันยาที่ซึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีแบบนี้นั่นนี้ไม่มีนัทธิและไม่มีหมด อ, อะไรในเรื่องราวทมโมเมย์สระนังวาลัง มีเจ้าพระคำธานีเป็นที่พึ่งของข้าไปจ า, ารประสถอาตมสด่ังนี้มีสาระนัดที่เมิชะระนงงางัญยันที่พึ่งของข้าไปจ่าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้อะไรที่เพิ่งเลาว่าสังโฆเมสระนางวลังนี่มีเจ้าพระอริยสงฆ์ธานีเป็นที่พึ่งเบสดเห็นนี้ลายตากันเลยจัก นอกจากสามนี่แล้ ว, พวเพิ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้แต่ไม่ได้เราอยากดีแตไม่ดีเพราะเราเมือ จ, กกกกก จ, จกักที่พึ่งของเราหายเกิดมาในรอบนี้หายอยากพกอยากจบนจะคอนหายอยากที่ไรชิเลจะคอนอ่านคิดดูเพ่อหายแต่จะมีปัญหามันดาสับอยากล่ําอยากเกลือยากสวยอยากงามไม่เจอพิจรณาดูเพทําไมได้สงความอุมาศาราชนาของพวกเราเทุกคนละ อ่ามันขาตดตกบกช่อมนี้เองอืมเราเม่จากที่จุงเราอืมเราคนั้นเราต้องทขาหาอห่าพุทโทเมลชนังลังพุทธะคือสำรู้ เ, เ, เ, เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นละเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้อ่าโดยจากเป็นนี้ใช่อันนี้เมื่อเราไม่ปฏิบัติเราไม่รู้แล้วปฏิบัติบักไม่ถูกปฏิบัติบักไม่เป็น เมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแลเราเราก็พึ่งเราไม่ได้เราขึ้นได้เดือนนี้อาการเรากปฏิบัติแล้ ว, ลวนะเราได้ทดํยคำแล้วเรารู้แล้ว น, นี่แล้วหาไม่รู้เราใส่ก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้นะใส่ทำรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังนี้แล้วโอปนันิปธรรม การทมาคุ้มแต่เอฟสิโกโอปังิโกนะเอฟยโกจังล่องเรืก็ทั้งหลายมาดูทำทำในใจดูทาทำในมาดูทำทำคือไหนมาดูมาดูลูกกระทนำมาทำนี่แหละคลูกกระทจะปัดภาบร่างกายเรานั่งอยู่นี่แหละขาสองแขนสองศีรษะอนออันนี้ลูกกระทนั่งคอลลกอนอยู่เนี๋ยนี้ มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสมมติัว่าแพร่ไปลูกประธรรมนามธรรมภาพทั้งสี่ทั้งห้าอายุตระหนัยทางอย่างยาวในเนื่อย่าน็นเมื่อนานก็มาดูลูกประนี่ ย, ย, นนยดูแพร่ใ ด, เ, าดาเราอยากเราอาศัยนี้เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะเป็นคนเรามาดูกขลับเป็นคนต่อไหน ทุกิจารณาเราต้องพาใสนี้ความทุกข์ความยากความลําบากจะไม่มีอื่นทุกข์ยากลําบากทุกข์กัรูปธรรมนี้ทุกข์กันามธรรมนี้ไม่ทุกข์ํามันเองไม่ทุกข์นน้ำเข้าน้ำข้อมน้าเงินนําทองอะไรนะทุกข์ในมานี้วันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าข้อมเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปหาเขาก็ไม่จะบอกให้เราไปเอา ขครอยากผู้นามาทำผู้อยากนมาำนกน ม, มันเป็นซื้อความอยากเกิดจากหมายเล่าดูที่สภาอากาศเขาตะมเรียกลายน้ำลมไปเขากะมเรียกลายงอกจกใจของเราผู้อยากนี่ทำไม่อยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่ง ม, มากนศาถนาอยากได้เงินมากๆทําำไม่ได้ อยากได้ลูกสวยก็ทําไมไม่ได้ตามความปรารถนาอยากเนื้า ม, มันดาจัดใหญ่ๆโตๆแต่ทาไม่ได้แล้าบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนแตสวยแต่นามบางคนขี้ได้ขี้เลว่ิสระคือว่าไงอ่าก็ดูดูพวกเราทําไมยังเป็นยังนั้นคู้เสาอกันแบบนี้ ขุนสูงก็มีเหรอตันก็มีเหรอผู้ดำก็มีภูเขาก็มีสัญละกษณ์ไปว่างไหมซื้อแต่ไม่ละผาทังตื้อขันดังห้ายาตระหั่งขนหคือกันมันตางด้วยคุณธรรมคุณธรอมบักคือคุณงามความดีนะ่ซื้อจะไม่ดีนี่ผาดังตื้อชนใดคือกันนั้นน่ะคือผาคดินผาดน้ำผาดลมผาดไฟ และซึมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนคือกันคันคันห้าคือกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายะตะนะของหอกคือกันตาหูจมุกเลี้ยนกายใจคือกันทําไ ม, มคือกันแต่ไม่คือเพราะคนกงตาไม่ดีซึมก็หูมึงคนก็บ ห, หูไม่ดีอ่า เป็นทําไมร่บเป็นอย่างนี้บางคนก็ดูดีตาดีฉมูกดีลื่นดีตาดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลื่นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอ่าอย่างนี้ถ้าเหตุใด <c oughs> นี่ละการประพฤการกระทําของเราเอเราไม่สร้างคุณงามคุณดีไว้อรวมเป็นเมื่อเพื่อจะนั่เราเกิดในโลกนี้อ่า คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่ปราสหนาวอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมุ่งมา่ปราสหนาสามในเือเล่าในเต่างการตัวขาสมบัติวัตถุขอองเงินทอง ม, งมากนี่ในในสองฟางการลุกสวยสวยงามนานอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ลวความราสหนาวของเรา ในสามล่าางการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีลูกมาแล้วก็ลรงไปเล่าไจเรียนข้างนอกข้างในไม่แล้วเพื่อมีสติปัญญาทำไมนเนยสคมความมากศาสตรของพกเราบางคนะมันขาดการเลาสงครับขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาในโลูกแป่ น, นี่ย เดียนี้เราก็มาฟังให้เลว่ามันขาดตรงไหนอ่าให้เลยบักโอมัขาดตรงน้อตรงนี้แล้วก็จะได้แต่ขายจะได้เพิ่มตอมพ้นมนั่นนะฮะโดยางกันวัดถุกความเงินกองเงินทอ ง, ง, งมากๆเนี่ยอนนี้ของของเราโดยบริจาคแล้วก็จะทำแล้วก็จะิบัตรลายนี่เราก็ติตบัตรใหญ่มากถออันนี้ฟองก็ได้ละแต่ในพบกได้ขาดได้ติดจำนวนตัวเรไป ในปัจจุบันรนะเบหน้าคือเรามาแล้วแต่ก่อนกายสยบุญกุศลนี้ดฉะนั้นเราไดเกิดเป็นมนุษย์เนื้อเวลาบุญกุศลของเรานับมาทันนับเาในเมืมองคน ล, ลักฐานในสติรูปเทสวาโสตบุตรตาปุญญาตาตาสมาปณีทีจารตะมังขาลมามุตตมังนะจะได้เป็นเมืองคอนอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศนี่ เ ล, ปเ ล, ปนนเ ล, ลืประเทศสมควรลูกเป็นอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เลือกลูกอุดมในประเทศสมควรเป็นมัตติมาประเทศเป็นประเทศ ต, ตา่างๆนม น, นุษย์นี่สูงกว่าเขาไหมเรามนุษย์สูงกว่าเขาให้เหมือ น, อนอปันในในกจุบันเอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์เออความรู้ขึ้นไปสูงปัจจุบันในความรู้มัได้ต่ำอีสานก็ลงไปต่ำ มนุษย์เพืนนี่พุนความรู้นั่นตาูปบนหูก ah ca ็อยู่บนตมูกก็อยู่บนแหมมันสูงด้วยมนุษย์สูงอย่างนี้ซันมันต่ำแต่เน่มความรู้อยู่ต่ยางเราจะเปมนุษย์นประทใดเศรประเทศอ่งสมควรจะเป็นมัคคิมาประเทศประเทศกตามงการสัญญาอ่าว เราด้วยประเทศบางคำต่าสมควรนี้แ ล, ละวรก็อาศัยบุคเทศ ต, ตะคุณิตาบุคคนะครับเมื่อความคุณิสาสงบุญกุณสอนกาตังและกระทำไป แ, แล้วเนี่ยเราจะทำไปแล้วนณิทิจ่าเราเล้ตั้งตอนในที่ชอบประกอบยึดนนในที่ดีเอตมันกลมุดตมันมีจะได้เป็นมงคนอุดมเนี่ยเรามัติ ม, มาระเทศเนี่ยหมุนไปทางไหนก็ได้หมด เหมือนตะลุบยมหรือเมี่ยคล้หน้าค้อยหลังก็ได้ลงทางต่ำไปทางสูงก็ได้มนุษย์เราเป็นทางใต้ทางขวาทางบนทางล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำตามเราตบหักไปได้มนุษย์คนเบยวอละมนนหันหลายชื่อเนี่ยหลายชื่อเป็นดนอมอนต์เป็นในรในพันในกอคมตนก็นนได้ เป็นตำรวจฐานก็ได้หลวงโนบเป็นข้อข้าแม่ข้าก็ได้แหมเปรโลบเป็นขโมยโผยอวนก็ได้เป็นมนรกก็ได้เป็นเปรก็ได้เป็นเสด็จสารก็ได้เป็นคนทมชาเรือชามก็ได้แหมมนุษย์ day, นี่เป็นผู <S <S <S <S ้มั่งนีสิริศก็ได้เป็นข้าพยาหมากรสจัดก็ได้เป็นเศรษฐีชาบรีก็ได้เป็นคนสวยสวยงามมั่งมีสิริศก็ได้แหม เป็นคนในอดในอยากก็ได้เป็นในร้อยในพันใน ค, นคนันสามคนก็ได้แหมมันไม่คิดได้เกิดใดล่ะมึเต็นเนี่ยเกิดนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาสร้างศาสนาไวรคือมีทานมีศีลมีภาวนาอหมนี่แหละบำรุงเราคือให้ทานกระแ ต, แตนุกบำบัดเราคือให้ทําคุณงญญามความดีเป็นภูษะ นะเป็นผู้ได้ทำไว้โดยซักสมไว้ได้ทำไว้นี่บุญมานีล้ล่ะเป็นตนนาตัวไปทุกข์ทุกข้ามันนําพนุบรนลุงบริเลพันาแล้วเหมือนพระสะัพพธเจ้าเอาเป็นตุยานคือท่านในทานไว้จา่ายพวกได้ขาามาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากแต่โดยบุญกุศลของท่านได้สร้างไว้นี่เองัะ อันนี้เราไม่ได้สร้างไว้เลยอยากได้นับนงอมันจะไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ไงหายไม่ยันได้ทุกคนทำไมันไม่ได้ละมีละอนนานิสงส์ในทานคนคนนี้ทำให้เราเป็นคนไม่ทุกขไม่อจอดเรามีละให้รู้จักใจอา น, นิยอา น, นิสงส์การเกิดมาลูกสวยลูงามนี่เราก็จยได้ ทุกคนดูสวยๆงามง่า ม, มายืนยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ยากได้อย่างนี้ไม่สลักหรือว่าง่ายสาในของรักษาศีลรักษาศีลรักษาแล้วเล่ารักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วไม่ทำโทษน้อใหญ่ทางายทางใจเอาแล้วเกิ ด, ดมาคนนั้นก็เป็น ตายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แรลไม่มีที่กลไม่พิการจะเป็นคนเลือดรอยเลือดมาวาจาเลือดรอยตายเลือดลอยมันจะสวยตะงามเลยงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลรักษาอื่นรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราเท่านี้ให้รักบันรักษาที่ ว่ากายของเราวาจางเราใจของเรามีเป็นรักษาศีนมีรักษาอืนอ่นมีลอนิสงนีละแต่พิจ ม, มนำตัวไปทุขภพทุขชาติมไปจุดัำเลยหรว่าเราเดนี้กับคนตายเรีร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้เั้นไม่เสียเนี่ยทำไมล่ะไม่ใจสงความมุมาศบานะเพราะอนิสงเราไม่ได้ทาไว้เราไม่สร้างไว้ เรามารักษาศีงมาอามามาตากนี้ยิ้มางเหวนอเอาบริจาใหาศีนไปุ๋พระเลื่อยไสเล ย, เลยคนจุกวันมีิาพักลูปคำไปขอสุนกรพัะพระจะอะไรให้ไปสมมยังพันเตอนะที่จะเมืองพระปัญญาชีวานิยาจามะปโอ้ฉันจะกอนศีลที่ไหนไปให้อ่ใปพระเลื่อยไป น, น, น, น, น, น, นีเป็นยังไงมางอ่าขอเป็นม้พระขอแล้วตะโก้พระหละไม่รักษานะถ้าใจว่าว่ารับนมพระและพระท่านให้ศีลเป็นศิลป์รับต่ตาปรู้จักสศิลห้าจะขอเขาขายตัวศิลห้าเป็นยนนนังไงตัวศิลห้ามีขาสองมือสองเนกระไรเจีนศีษะเอ็งห้ามีตัวศิลห้าทกกันจำไว้ ไปขอก็ไครล่ะ น, นี่ได้มาความมมิฉะนั้นตั้งแต่เราเกิดมาเมือฤทจักรตัตศีลมันเป็นตัวในตสินงคู่นี้กับตศ ส, นนสินนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศิสะอันหงมีตศีนยาวห้าโน้นทำครบห้าไม่สั้นแค่ท่านเอาศีนให้ครบ5้าในตานาธินาตาเมนุาสาศุลานี่เป็นพ่อห้าอย่างนี้ให้เราเวท ตานาติตาตาเวลามณีให hmm? ้ละเวทฉันไม่เสินงาแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั้นฉันว่าตามบาลีตานาิตาตาเวลมณีนีว่าตามของเราเรทากันขาสัพย์นะทมีชีวิตมีหมดดำหมดแดงมนีจะได้ฆ่าคู่ฆ่าตนยังไงเล่าแม่ฉันม่ฆ่าทรัพิเนี่ยตอนนี้เนี่ยาตามภาษาของเรา อันนี้อันทีมาผมไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยโภขโมยความท่านบอกคนนี้น่อนไม่ได้ว่าเอาศีลให้ถ้าเราเราเว้นนี้เราก็เป็นศีลถ้าเราไม่เราเวน้นนี้ว่าจนปากเกนมันก็ไม่เป็นศีนลละนไปวกไปพัะยไปนรจักศีลไี่ไิไบัดพีการเนื้อเราเว้นแต่พุทธิจารกมพุิยังไพิจารนเรามี คันยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกใสใส่สามีค่ะผู้ชายมันอกใส่ภรรยาผู้ับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นเนี่ยเชื่อเล่นนั้นใช่ไม่ได้เนี่ยเป็นโคกเป็นหลาเว้าเนี่ยมีหลาเวนเป็นโคกมูสาวาเนยหลเวนการมูสาว้าก็โงมลอกโงงกัน แม่ให้เราเว้นอนี้เว้นมันเป็นนี่สุลาไปสัปมาไปถานาเวแล้วมันให้เราเว้นการเดินสิลาซาโพกัญชาเยาปินแม่ให้เราเว้นนี่ถามเราเราเว้นนี่แล้วอยู่ไหนจะเป็นศีลอยู่บ้านจะเป็นศิลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนเงินคามยืนยันก็เป็นเงยไปก็เป็นศิลปเยื่อเล็บินก็เป็นศีลป่เราเว้นี่แล้ว ถ้าเรไม่ลเวนี้ล้วจะอยู่ในวัดนี้ก็ไม่เนไม่ได้ศีลบางานาติตาตาเลอยู่มาตัวปักาเราจะทรเป็นศีลแบบนี้ที่หน้ามือสองเมื่อปักมันจะเป็นศีลแบบนี้เนี่ยเป็นงั้นหรอมัเป็นศีลอยู่มาเป็นนี้เถ้าเราลเว้นเ้อกินน้อยก็เมนั่งก็เป็นนอนกเป็นศีลเดินก็เป็นศีล เ, ออเราเราเว้ยโทษห้าอย่างนี้เนี่ยหันจากสุราจะประมาณภาษานกเป็นควรเล่าเอาพร้อมมันจะเป็นหลักหินเงินนะไม่ได้เด้ฮะรู้จักเดี๋นี้บ้านเมืองเรายุ่งยากก็เพราะเรามีศินนี่เด้วุ่นวายกันนี่ว่าไงาทุกยากเท่า น, นี้ถ้าเรามีเราเว้นโทษห้าอย่างนี้แล้วเรือนาซูปตีนเงินตีมีความสุข แม่เราหักเลี้ยงห้าอย่างไปแล้วมีความสุขสบายเนี่ยพราอมดึงดันนั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยดีเลยนโพกัสสัมปทาพลเว้นทวนห้าอย่างแล้วมีโฟกัสสมบัติเป็นคนในทุกในจอมเป็นคนในอดในอยาเป็นคนในทุกในหยะนี่นั้นเป็นเฉพาะกรรมดันนั้นมันจะมาโฟกัสเรา ไม่ซัดขอ้อมไม่กิ๊บตของเราทําอะไรสะดวกอเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทําอะไรก็ไม่สะดวกค้าขายก็ไม่สะดวกทำนาสการก็ไม่สะดวกทํามาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกตรนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้เรื่องเดียวนี้เอาละเว้นนี้ละสบายนั่งสบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบาย จับปา้งม่นดทางก็สบายไม่มีใครมาเอาจไหเขาไม่ทักทักเพิ่งไม่ขมยัมภาไหเล้วบุกเนเขาไม่แหวงเหมือนจาอยู่ว่างไงล้ว่มันก็สบายเพราะว่าีได้ทันากับผัวอนยาจะคบสายคนอืซะเนี่ยคยงไม่ได้ผัวามีผัวามีคบคหญิงคนนี้รักาแล้วเป็นทุกข์ับปากหรือไงเนี่ยเป็นทุกข์้ำมีส้ เราคือสิดคิดแล้วใช้เมื่อเช่อใจกันได้แล้วก็สบายนีนน่ว่าไงเงั้ยคนเรามันยุ่งยากไหมในคุณปู่จะรับทานม่เห็นเทศอกในฟัมีภรรยาหนึ่งเเป็นทานองมีภรรยาสองสมองสีหาะแตกมีภรรยาสาม 8, ม่านแตกมีภรรยา4ีดีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตก มีภรรยาเขอกจะตายเย <Yeah, S 2> มันยามันยยากเิล่ะือว่าง่ียอยากได้น่าแบบนี้นีละพากันในเคร่งดูเครงเห็นอ๋อได้ากได้แล้ว เ, เกิดมาอยู่สัน้นเร็วแฟนตายจะนอะ้อตายจะนุ่งตายกะขาจากกันเกิดเป็นโรคเป็นไขไม่มีใครจะได้มัช้ชะอ่านี่นี่ใครปรากถ น, นาแต่ตอนนั้นันาะอ่าห้ลาเวนตานาติบานี้ เมื่อเราเวนกรรมนั้นใน ด, งดางฮตหาริลป์ของเราเกิดมาเจอไม่มีไข้ไม่มีโรคไม่มีไข้ก็ยามันนี้ยุ่งยาก น, นี้บ้านเมืองวุ่นวายโกคนมาค่าตรงนี้เอเลียนมาเลยจะแผนงคอเจ้าเขามาฆ่าแน่ว่างไงละ่ะเออเลีย น, น, นาจารย์ขังหัวเออจะยิงันไม่ออกหัวจะได้ที่หน่งเตัวตายแน่ว่าไงละ่ะเยวยังงั้นแต่เราละเลี้ยนโทษนะักจะมายิงเรา เรามีโชคไมนมีกรรมไม่มีไัยเราไปไหนก็มีใครเดียดเดีนเราเด้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีไผ่เราไม่มีเวีแล้วไม่มีกรรมล้วมีคนชั่วเนี่ยไปไหนก็ทุขก็โศกเสด็ไปดีมาดีเนี่ยไม่มีไผ่ไม่มีเวียนแม่แม่พระเจ้าถึงให้เราเว้นนี้ตัวเขามาฆ่าอย่างเนี้ยเนี่ยตัวมือสั้นเลวพลันตายจะน้อตายจะนมืงตายจะภจากกรรมอะไเนี่ย เกิดเป็นโลกเป็นไทยนี่ลวเงเป็นนี้เป็นไ้ลเวนไม่ใชอิในใกเ่ยเม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ื่อภูริลาเวนนี่แล้วนั้นภัยระนั้ <Yeah. S 1> งง น, นจออ็ไม่มีแต่เราขอสออธิมาธระไรนันี่ตัวอะไรล่ะตัวขยเนี่ยอไงขมยเลกขโมยน้อยขมยเทาขมวยค้องลบซ่อนสนมข่าใจเอาคองในนี้ใครยังได้มียละเนี่ยหรือผู้รั ก, ก, กตัวเนี่ยตัดไม mm. ่่โชคล่ะ ไฟร้อนำล่ะใครจะได้ล่ะนี่ทำไมจะได้หรือชวนนั่งท่วมใครจะได้หรือชวนใส่ไม้ใครจะได้ชวนั้วผู้อยุ่พัพใครจะได้ล้วไม่มีใครังได้ที่นในสิ่งนี้ละท่านตัวจะมันเป็นอย่นี้ใช่ไฮลเว้นอธินาทานการขโมยกันมื่อเล็กขโมยน้อยทาน้าไม่ให้กลอย่างนี้พาไปในพงรูปพงกระจที่วกเรา พอละมีอะไรแตมีแต่ขโมยเล็กขโมยน้อบางคนมีวิทยุเอกไปก็มีสรพัดเอาไปซะมีปัญญาขโวยไปซาก็มีขโมยทุยากันกระเป็นเล็กคนเราเนาะคือว่าง่ายล่ะนี่สําเนาคนเราคนกับพี่สามีแล้วแต่ผู้หญิงขโวยไปซะก็มีแม่ว่างะายล่ะขโมยจั่นเล่ใส่ไม่ได้คือว่าง่าย ยุ่งยากเพราะนี้ละที่ดึงใจ น, นี่มีพ่อนัเาลกพนใจต่อปฏิบัติให้เราว่านีล่ละเราไม่จะได้ทมันมนี้มีเกิดมามีบุตรภรยาจ้ามีเละันมันนังครับแน่ยุ่งยากไม่ไวเนื่อเชื่อใจกันเาะกันไอ้ลูกขนเนขาบอยากสอนยากบอกไม่รอมสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรสม่ยเช่นอะไรน่ไม่จะได้หรอ รุ่งยากอันนี้แต่ฉะนั้นเป็นทางตาเมียนี่แต่ฉะนั้นเราได้ขอบครัวล้วยว่าพอแทองตามแปลงงานไปจป็นว้านกะเป็นทํานองมีพันนายหนึ่งมีบันงนาสองก็ติบายอลุดสมองศีรษะมันแตกนะครัจะรู้ยุ่งยากนะครับอันนี้อย่างเงี้ยจึงอ so ั <ielle> นนี้เราไม่ได้มีครอบดีร้านเป็นภามูส่าว่า คนสชอบโขมรอรวมใครจะได้หรกมานี้เ้วาเ่าแก่จะได้ยากได้แะนะคชอบโขมรอวงคนมุษาอ่าอ้าวทำแล้วไม่ได้ทไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาจะได้ไมไม่มีใครจะได้จะกันเนหรือว่าง่ายสุษจลุดนะมันยุ่งยากด้วันนี้มีละวุ่นวายกันทุกวันนี่บ้านเมืองประเทศาญยุ่งอนี้ยุ่งอืนนงอ่น แม่ขนสอบโงลอกงกันเออนี่ล่ะดวงโลกดนี่ล่ะอือนี่ล่ะโลกเต็มเลนลักเขาของของคนรวยมาเต็มสองตอมิุติยบาศาดึงสุญหายกายเป็นมิจฉาพิธีิบหายเป็นชความชั่วสำคัญระดีกวามดีคำดีสำคัญระชั่วง่มงากลาบแน่มีใครจะได้ไหมล่ะอ่าเ well, yeah. well, be ็ดโดเ้มีภรรยาเละ เป็นนยาโกห t จะได้ไหม o ีสามีวามีโกหได้มไม่ได้ยะออม่ได้ัก่ากลัวไงเออไม่ได้เวลาเขาเป็นนยาโกหกกันอ่ามายืนยันจนสุดกลัวไงโกหกเรากลวนมยยนน้อุวาย อย่างนั้นะ น, นี่กุฏิใจจะห้าม น, นี่เวลาเนียเป็นบมบ่าเมือเจชิเตเอสุสูนวัวปาบดป า, ป า, ปาเยปกาย์เกยง่ยที่ถูกถกุณิถามก็ไม่รู้ใครจะได้หรอจะบ้าะยังข้ามเวลาเนี่ยเอาโดที่ถามพยิเ น, ย น, นเนี่ยคุณนายเนี่ยถามนี่ีนเอาจะได้ไหมไม่จได้เลยหรอฮะอยู่ขีนเอาก็ไม่ได้ด เออเอาผุ้ชายแล้วรยาคือเมาจะได้น้ยก็จะได้ไม่ยากครับนเยา์สิเอเอเป็นนี่สลูกคีอเมาละไม่อาพ่อคอเมาละไม่ยาครับแหมงยากใครทาแบบนี้ใครใครจะาใครก็ไม่อยากได้สักคนยั้ษ์กรไปุ่มที่ละ่ะชูกให้เราออกอินมัอนี่คใครจะถูมือพ่อไม่เส เนี่เลวกว่าพันธุ์ที่ซึ่งไม่ดีนี่เราคนใ้เลกจับนันเป็นทุกข์เป็นโทษแกเราวุ่นวายกับเพราะเมาอยู่ตลอมเมาที่เหลดเมาตมหาเมาลาคโคฟะโทสะก็แรงนเ่ไปเรา่มาสาโคคำชาเมาอยู่เพิ่มเมาไลายเลยมุที่คิดอยู่ทีเพราว่าแม่เราเมาหลายเมากันแล้วเนี่ยเป็เจ๊ยุ่มชาเพิ่เป็นงั่นดอก กาคมขยันภ า, าคปฏิบัตินี่มีเื่องขีนพาลารวาเว้นมีประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราที่เยอนเป็นจุดไม่ทะเลาะว้อกแย่งกันไม่เบือดร้อนมีญาติมุม่งเนื้อห้าอย่างนี่ยไม่มีตีินะท่านยังบอกมาเลยว่ า, า, าเว้นโนห้าอย่างแล้วดูเลยนะซุปตะติงเงินตีมีความสุขนะ มีสิเลนโซกสัมปทามีโซกับสองบาทแม่เรื่อเล่าเวหาอย่างนึงสิเลได้สินโซกับสัมปทานแต่คุมีสินมีโกมปกัสสอปบาทท่านไม่ได้ว่าเออเราข้าขายสัสมปทานทานราชการสกัดสัมปทาท่านไม่ได้ว่า่ัเหรือว่าไหมนะโมีสิเลโซกับสัมปทาเขาไม่มีสินแล้วมันเป็นสินนะโซไงเล่าแต่สินทุกตฏิกายทุกปฏิใจ เน <l orn> ี่ยใจเรามีผู้มีศีลใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยจะมาศีลอย่างนั้นความสุขความสบายอึดสบายใจทำมาลัยไม่คับไม่คว่ำทำมาลัยไม่รุ่ไม่วายไม่ได้ร้ารอย่างนั้นคุณมีศีลผู้ไม่มีศีลจะเดรารอนั่ก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขอย่างนี้เมือเป็นชนิดแล้ว เราก็ต้องเลิกต้องละเป็นจริงวันนี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีแต่เรามานี่ทั้งท่านทัง้งหลายทุกคนแต่โยจกจับแต่มันไม่ดีเพราะอะไรคเพราะอันนี้คือบายจำเลยนี้เมื่อเราเลิกแว้นในนี้เราโอ้เรามีคนามสุดคนสบายเอต่ยแต่าปสตามไปขึ้นถนนทางมันมีทะเลาะเราลักะาชินนะงานไม่ไปเท่ารักษาบเออ่ประเทศ เอออาไปซักของขอของเราน่า เ, นนเด่นเงินแดงซักตัวยามในวันคมมามูลตะเตาเงินก็ทิ้งไว้ในล้านกัเโคลนัดดกไปฮะสุนชมพัทธดุลให้เห็นใบทุข ส, สุขยุ่มสุนโชยยาสุนยุคลักษิมาน้ามันเขามีสีมได้งินเดงเงินก็เป็อย่กระเตา น, น่าเอ า, าเห็น ใบพืชที่ก็ยืผ่นเูวบานยุดพุ่มเพอนั่นตะบนนั่นเขกรพอบกระทุงกงไปให้นะแรกกลงสําวันนะว่ามีสิ น, นคนไม่ได้เนาะอายุไม่คลองกปบุ้งเอานะยืในมือไปบุ้งเอานะโดนเจ๊คนไม่มีสีนเด่นอย่างนั้น อยู่ในบ้านสมัครเอาเาหามาให้เงินนะเป็นมีนนมกนินเป็นอย่างนั้นละมืจอจักเป็นอย่างนั้นเปนอย่างนีทุกหลอดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติพาก็ได้ยินเด็กสั่งได้พากั น, นโรค น, นี้ โ, โก น, อ ม, กนม อ, อมเข้ามาเอ่ต้องลองเลืกก็ะจายมาดูทำมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากคว้าอากาศ โดยจำไม่ถูกเขาเราก็รักษาสินห้าสินแปสินศูนย์สองร้เจดโคตรสมบรวมแล้วรักษาสินสามรักษาสามรักษาจิ่นสามรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมมารักษาสินสองรักษากายรักษาใจรวมมีสินทุเดีรักษาใจแล้วบัส สองร้อยเจแล้วมเมื่อตัดใจไม่จะทแล้วยในพระปาตีโมกสอกงร้อยเจ็ดทั้งหมอสติโยโดาตบโปบรวมแล้วมีสติแต่เป็นองค์วินัยนำมอจากความช่วนําความช่วยจากตอมเมื่มีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างนี้ยมีพระอา น, นิสงส์รักษาศีลมีพระอา น, นิสงส์อยูนน่หอย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้วหาา้าอย่างหนึ่ง ผู้นั้นมีโภคาสามบัติเป็นคนไ ม, ม่อดไมยะนาคุณงามคําดีมาให้นี่ยผ้มีศีลเนี่ยงานถึงคน ม, มีทุกข์ไม่จำสามผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีคิดที่ซับดีคุณฟุ้งบนันทิดทันตีผู้นั้นมีคุณงามคําดีนะกะได้ไม่ใช่ละอันละอนรจกักเพราะผูนั้นเป็นคนบริสุทธิ์นะเราจะได้ไม่ใช่ละ นะพุ่งไะเองไม่เหมือนกันนำบวบนำะมันหอมนำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี้ไปใสลม้มเนื้อลมใดหมดกินของสิงสีแล้วกันโทเออมุกตลกสายไดหมดนะนี่ละสามผู้มีิีลบริสุทธแล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสัมมนะสีธรรมก็ตามเ้าพยาเมตเจดีย์อะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหนะ้าตตา เป็นคนกล้าหารองอาจไม่เกรงกลัวเพราะเหตุผลใดแล้วมันมีโทษนะเมื่เรามีโทษเราจะเกิดอะไรคุบ่มมาขอภไผนาเหมือนกับละเขาเราไม่มีแผลเงียดไปเลยนะถ้าเรามีแผลจะกหน่อยเนื้ออะไรกคือจะทูกข์กับบาดแผลไม่ใช่หรอนะต้องระวังไม่ก็จงทุกขกับแผลเราไม่มีแผลเไปอันนี้เราไม่มีโทษนี่ตัวไร เนี่ยไปไหนก็่กลัอะไรเราไม่มีโสดเราไม่มีไฟเนี่ยเป็นยัง้นคุณมีศีลมันบริรสุทธิ์ตัวน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์เนี่ยใครก็ชอบเนี่ยคนบริสุทธิ์นีคนดีเนี่ยเจะได้คนมีดีนะอยากได้คนดีไม่ใช่หรอแหมศีลนั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนดีละใครก็ชอบงนีน้ยให้ดจับไว แต่เพื่นอนให้รักษาศีาลห้าล้าดับขำละทุกกติเป็นติดไปไม่ได้ไปทุกกติเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้ไม่ได้ไปทุกกติไม่ได้ไปทุกกติไปทุกกะตถจกแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทําความชั่วนี่เป็นอย่างนี้แบบนั้นในพากันพิจารณาทามันรุ่ยเราอยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากงามรักษากอนี้ อ่าเนี่ไม่ได้งามเืินไก่งามพอเรามีสีนี่นำรวยพเรามีสีมีความสุขพอเรามีสีนถ่สีปกติกาดปกติใจเราไมที่คลพิการแล้วใจล้วก็มีความเยือกความเย็นใจเรามีความสุขความสบาไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ล่ะนำความสุขความเตือญให้นะไปจุบันไปเบ่งนาเพราะนั้นพากันไปกินละโกบันนี่โกให้น้องเข้ามา หายจของเราแท้ okay. นี่ละอานิสงส์อันนี้สาม น, นะในสามตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทาไมไม่สงคำ ม, มุมาพกาธนาละ่ะเนี่ยคออา น, นิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิโานานะกุฏโธธ ร, โรโมโสังโโทุธโทธกุโเลิกเส้นดวงใจเราเนี่ยอา น, นิสงส์เกิดจากนี้ มีสติมีปัญญาไปในพบใดฉ า, าติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้นะเรียนเรื่องในเรียนกันลูกพอได้ยินกันลูกพอได้เห็นกันลูกนะตั้งหัดเรียน น, น, ย น, ยนั่งไปแล้ก็นั่งภาวนากระพุธขึนมามันกระโจนขึ้นมามันกรลูกขึ้นมามนะดูพระสมม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนเล่า ท่านรูถึงแปดหมื่นสี่พันประธรรมขันเนี่ยดูเท่เราไปเริ่มคำสอนทัานก็นยังไม่หมดนะคิดดูเท่ท่านนั่งโทนดฉะนั้นว่าอันนี้สงฆ์ภาวนานี่แหละจะพ้ น, นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่หุ่งไกลเราพิจอรณาพบของเราชาติของเราภาวะแปลเจรอนพบนี่เราจะอยู่กับพบบันใด อ, อยู่ชั้นใดภูมิใด มนุษย์ทางหลายนี่ทันจับมนุษย์เจ็บจำพวกเนี่ยจะมนุษย์มนุษย์ตะไลเล่าร่างกายเป็นมนุษย์อันเจ็บจับจนเจ็บจำพวกเนี่ยมนุษย์ตะไลเล่ามนุษย์สติรสาโมร่างกายเป็นมนุษย์กายเป็นสติรสาเนี่พืชสติรสาเป็นไง มันกินล้กนอมนเมรู้จักการกะมือจักทำร้ายเมื่อจักคาวุนในทานราักษ า, า, ส, าสินอนะไรนีนเ่เหลือเป็นมนุษย์นี่ย่างนั้นตายแล้วก็เป็นสเดชาสารนีมือซาเปโตเป็ไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเปรตมีตมหัวโผลโซนี่ตายแล้วก็เป็นเปรตที่ทำมนุษย์เป็นไหกตาบนี่มือเศรี ล้างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นมกุ้มเพราะุ้มใจ น, นี่แหละนรกจำไว้มีมไหมแหละพวกเรา ม, มีลืบเลิกจหนะ้าต่อไปเนี่เป็นนรกนะขึ้นจะนรกนะนทุกข์ที่ยากดุพุทโธมหายอ น, นี่เป็นอางนั้นอันนี้มือซักมือโสมือซักเทวอล้างกายเด็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดา มีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเราหมางนี่แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวหัวใจดีเนี่ยเป็นเทุตรเทวดาเนี่ยอยงนั้นได้เรามีทานมีศีลมีภาวนามีการสาบการไหว้มีพระไหว้เจ้านะบุนบในทานจับขันกัเป็นเทวดาถูกสวยมามนี่ยใโลกมีภยมัยมีเกิดยาก อานมือซัพรมมาร้างกายจะ็นนหัวใจเป็นพรมเข้ามาพรมนังและพรมหัวใจสวามวสวายตาตาชากุกราชากัยวามมีพรหมหารแลคอยู่ใ น, ในใจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับพันก็นเป็นพร <Yeah. Yeah. S 1> อมนะสันเดียหนมือซะ <c oughs> อายฮัตโต ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมีพราละหันมันเป็นย่งหัวใจพาละหันหัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภโทสะโมหาวิชาตัณหาประธานปกชาได้เวียนไหวาตายเตื่ดีแล้วาหัวใจเป็นับเป็นมนุษย์เป็นพาละหาันเยละกิเลสละตัณหาราคะโลภโทสะ โ, โมหาวิชาตัณหาประธานปกชาละบัดเนี่ยางาน อันนี้เมื่อสระพุธทโธทร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธิจาเป็นมนุษย์พุทธิจาตัตวรูร้ตระโโภองเองรู้แจ้งแทนตลอดมดุจุฬารพยะคันดีไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งที่แจแ้งแสดงกรมวงทัตรู้โดยอง์เองนี่ทันสัตว์รู้ทำของท่านเป็นไงล่ะบุเพนิวานุสาติยาน ท่านรู้ว่าก็สาบหนุนหลังมันรู้ไปบัดเกิดไม่ได้พบใจขาดใจเป็นอะไรอะไรมามันรู้บทัทอะไรมาเกิดในพบใดขาดใ ด, ด, ดทั้งมนุษย์บดนะมันมีที่ปกติสว่งบดนี่ตัรูละในมีความสามารถตลาหัี้แจงแดงเหตุผลเรื่องนรกสวรรค์เครืเ่องพบเรบ่่า เนยเรื่องดีเรื่องชั่วท่านรู้ก็แล้วท่านจะได้มีวางศาสนาไวให้แกมนุษย์เราทมเกิดชุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบตาโดยธรรมะคำสัมม่งสอนพพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านซื่อแจงแสดงธรรมะชนิมนีละคราวหนึ่งคอสองละความแจกครูของท่านเ น, น, น, นี่ยจุดตูปตาาน จุดีิจากนี้ไปอยู่ในครับใดฉากใดเป็นอะไรอะไรทั้งรูมัดเป็นเปรตจะด้สารเคลื่บายมาแล้วเป็นเทวดาเทวดาเปินปรมทั้งเนี่ยเป็นพลังหานอะไรทั้งรูมัดนี่พุทธิตายก็ได้ทำอะไรไว้ก็เป็นอะไรทั้งรูมัดนี่ไม่มีจิตปกตินี่ความกระจุ่มพันสามนาย อาสะวะขยายานผู้ชื่นจักคบจากช้ารู้ชื่นจักวาสะวรเนี่ยมีความกล้าหาญนั่นเท่าไราตั้งในน้อเข้ามาถึงตัวเราเราก็จะรู้จะเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีคระมรู้คมฉลาดอันนี้ทรงอันนี้นี่แหละใหวางสาบมาไวให้แก่พวกเราสอนกาขอางเราสอนใจของเร า, น า, รา เ, รา น, าราเรานี่ยพากัะเนืู้้จัก อันนี้คอปฏิบัตินม่ได้นั้นวางศีลสมาธิปัญญาในไวเ้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามใยสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีพระมหาธิติรียานัมัตเฉตรียานัรานปรโยสานกันยานังกริยาความงามมีความงา ม, ามงา ม, งามด้วยอะไรละ่ะงามเมืองตคือ ผ, ผู้มีศีล เยป็นผู้สวงกายวาจาใจเรียบร้อยเนอททวนน้อยใหญ่ทางกายทงใจนี่งามใบนี้อ่ามีละงามเมืองต้นไรละเมืองต้นมัดเชยปริยานงามทำกลางไทรละไทราะกลางคือผู้มีสำมมาทิกมมาธิคืออะไรเล่าคือจิตตั้งมัน่นจิตตั้งเท่นจิตตั้งกลมจิตเ ย, ยียกจิตเย็นอ่าคนไม่งอนเองีนคอนแข็งจิตในหวอกแวก คิดเทียเท่ยงคิดตรมคิดเหยีคิดเยียมคิดสุขคิดสบายนี่ละประงามคนเดินในใจบอกแวกใจหลอกแกมแลมอะได้งามที่ยังได้ไหมใจเป็งนงั้นคนใจเที่ยงใจตรงอยังไงมากอะแล้วก็ทํำให้เที่ยงตรงที่พวกเราเอยอไหนบอกแวกเงยเงียงคอนเทนเต้ไานหลอกแกลมได้ที่เรื่องโลกไปทุรู้ลงลงแจลมโลกได้เออนี่ละ รู้กแก่นโลกอย่ามันลอกเรามันหลอกตรงไหโลกมันลอกตรง น, น, นี้นี่รูปมลอกต า, าเสียงมาลอกหูกลิ่นมาลอกจมูกรสมาลอกลิน้นนี่สัมผัสมลอกกายสายอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์มันลอกแบบ น, นี้มันเป็โลกรู้คาว่าขดเส้ ทำมว่าวอยู่เฉยตัดเ็นัวไม้มันก็เฉย <c oughs> นีเราห่าดงเฉยละลูกไวนีน่เป็นอะไร้องสมตมติเฉยลงสมต ม, สมติมีพาราโอปนโันญิกโอเ็ไม่หลงในโลกกระทำทางายรับทางลายหลงในโลกกระทำมันทากําอยู่ยุทนิยม โลกธรรมอะไรโลกธรรมอ่พุทธสโลกัพุทธสโลกว่าควมีจิตความมีสติความมีปีตความมีสัมมีะระยังเขมังผู้เพ่งทำนาตาเสงความโลกธรรมต่างแปลนี้ผู้ไม่หลงโลกธรรมต่างแปลนี้เราละเป็นทุกข์ในโลกธรรมต่าง แ, แลลาปล โ, ปโลกธรกรมมันแปลไหนล่ะลาโปอลาโพแหโยแหนโมินทาปะาสันตาทุกขังทุกขังมีแปอย่างนี้ เฮีนชนยชไนมางล้วเมื่อมีลาบกัวสดีดีใจนะลาบเตือโอ้ยเทียวเตือนใจนะกลายเป็นทุกข์เตี่ยพระพุทมีลาบตั้งแต่ไม่ดีใจมัเตรไม่ตั้งก็ไม่เสียใจมันเป็นอนิจจ์นะมันไม่หลงด้วยอนันนี้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วนมันไม่หลงน้ำดีเลยทั่วนะ อันน no ี้พันเรามียศดีกดีใจความยศเสียออกเสียใจนีท่านมียศก็ตามม่มียศก็ตามเขาว่าดีทัานก็เฉยนี่เขาว่าไม่ดีทัานก็เฉยว่าไงอ้าวเขาว่าด yeah. ีเราไม่ดีก็มันก็คือเขาอยู่แหละนี่เขาว่าไม่ดีเราดีอยู่เหมือนกันนี่ไม่หลงเขาว่านี่นะตะอไปแมบางดำบางแดงบางด่างมึงกัดกัน เราไปดีสูบันไใครว่าเขาว่ากัดกันนีนะแม่จะกัดกันใครว่าเขาว่าตัดกันดินี่ยเนี่เนีมีกันละตัวจะสวยมียอดจะดีใจชวนยอดจเสียใจพระพุทเจ้ามียอดก็จะไม่เสียจะไม่ดีใจชวนก็จไม่เสียใจเ่เป็นง้เขาเสนอน อันเรไม่ดีใจคนมีนาต้องไม่เสียใจนะงานวัดปุจจามันนั่นแหละเราเลยมีคุณลักษณะเสือคนนี้ดีใจมีคนมินาเสียว่าเสียใจแน่ไม่ใช่ไม่ได้มันคงเป็นทุกข์เสียแหะเรารู้ว่าแล้วเขาว่าเราไม่ดีกันเขาอะไรนเราดีเขาไม่ดีกันเขาอมันเป็นใหญ่เรามเสียใจเงียนี เวลาความทุกข์ติดอกตีใจเวลาความทุกข์ทุกอกทุกใจมีลาแปดอย่างท่านนัน้นทุกข์เกิดขึ้นม า, าพระิเกเจนาไม่หลงไม่ได้ความสุกขขึ้นม า, าพระิ เ, นเนนจาเาทำทำเนาพระก็ไม่มหมลงนะพรสุชาติความรสธรรมแปดความทุกข์ทุงธรรมเกษมในวัมหวนในรกธรรมนี้ผู้ไม่หลงคือปฏิบัติมีเรื่องยุ่งที่เรา เขาว่านิ้นค่ดีเขาว่ากูไม่ดีเด้อเขาบังอาเขาว่าคามนจะแแน่เงี้ยแต่ไม่ได้ที่แบบนี้ว่าไงล่ะนีเป็นเกงองงั้นน่ไม่ได้เจ้่ยออกไปนะจะไกลัวเานะโอสุนักจะกลัวเาเหรอแกสุนักเน่จะกลาเพราะว่าสุนักขูหม เราไม่ได้เป็นชนะ yeah. แล้วก็เป็นคนช้เขาก็ว่าชนะกั น, น, กนห่าแหน่เราก็เป็นคนนั่ก็ดิโต๊ดกขาทำไมวะเราก็เวยแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นชนะกับคำหรอเาเป็นคนงานก็ไม่มีคดิโต๊ดเขาทำไมละแน่เขาว่าชนะตันงา่าถ้ามีอะไรจะทาเลื่อนไปมีอะไรกินเลื่อนไปงานจะทำเลื่อนไปโตดใช้ไม่ได้แล้วอหนไม่ได้เจ้ เอาเยจกักนีละผูปฏิบัติมันจริงดีเดี๋ยวนี้คนเรามองหน้าก็ไม่ได้นะตอนวันทานนังหน้าหาจะเอากระลกว่าอัดจะได้มองหน้าจะทำไาะขาต้องดูก่อนดูหน้าดูตาได้ไหมเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูสิแหมแต่งตนัวแต่งตัวเยอะคนดูคนดูถ้ามองกันเล่นหาพราะว่าเอากันหรือเปล่ะอัดไม่ไหวแหลมเนี่ยเนาะ ว่าแดูทูกันแล้ว่ว่าอู้ยัดูทูเขาคนดูเห็นมันสวยมันงามก็ดูไม่ใช่หรอแ้ได้เขาไม่ดูเลยว่าแ้ไาไม่ดูกันเลเขาดูงาน้ว่ามัองนาไปแล้วตว่าไม่ได้มไหเราใจล่ะตอไปโอนมาพิจาามรู้การปฏิบัติ มี้องมีละเราต้องการประเทศชาติให้สงบบ้านเมืองให้สงบท ร, รมีที่หนายแล้วพระพุทธเจ้าสอนฉินสมาธิปัญญาในไวปัญญาคือความรอกลวงในกองสงขารทำตุ้มทำแต่งให้หลอบรู้เอิบายสังแล้วดีชั่วก็ดีม่หหลงอันั้นดีอยู่เป็นดีชั่วอยู่เป็ชั่วเราจะไปยึดเอาสิ่นั้น เพรนท่านบอกอะารธรรมจักวรตนสุดด้วยเมตเพื่นตาลเศษนาศีตาบาร์โมกอนท่านตัางหลายที่คือต่างหลายยะชมเสียบสองสัมสอ ง, งสองัมก็หลายแ ล, ล้วคือความลับควาชันเอาเราไปักก็เป็นทุกข์เอเราชั่งก็เป็นทุกข์กไม่ได้มันก็ทางมันตรงไปนี่แวะอันน้ก็ถูกหนามแหวะเอานี้ก็ถูกหนาม เลื่การทางเราโยตฟองบางนั้นเอาแหวกตะก็ตกถนนเอาแหวกตทกถนนแม่กนนทนนน็ทุก์ี่เหล่าต้องไปเถงจิตประสงค์แหวกของนุ่งอาแหวกของนุ่เพราะฉะนั้นเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่าไปยึดมันงมืความทางเกิดขึ้นอย่าไปยึดยันอย่าไปยึดมันรู้ว้ใจเองเรารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณ เอาเถอะเอาฤกษเทศแต่นี้หรือจะเอาอีกต่อไปอตอนนี้เขาฟังธรรมจะฟังธรรมไหมล่ะจะฟังธรรมไหมล่ะอธิบายมันอยู่ที่ไหนธรรมเขหาธรรมเขหานามมาธรรมอธิบายลูกประธรรมไงล่ะเขหานามมาธรรมอ้าเขาพีนั่งฟังธรรมนี่ฟังธรรมอ้าวฟังโดยจริงกับไม่จริง นั่งสบายเรามานี่กลางกลางความสุขความสบายนั่งสบายสบายนั่งยังไงสบายนั่งให้สบายเออนั่งสบายสบายเออวางขาวางทางสบายสบายนา่าพาเปรี้ยงแย่นแฉกใส่นั่งสบายสบายนั่งสบายอ้าวนั่งทุกคนอยากสุขอยกสบายนั่งดูเพื่อสบายยันนั่งวางขาวางทางดูเทื มันสบายยันนั่งสบายขาขวาทับขาซ้มือขาทับมือซ้ายท่างายต้งสบายสบายเมื่อกายจะสบายแล้ววางดวงใจสบายเมื่อใจสบายแล้วแล้วนึกถึงที่พึ้นของเราอันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเรสงในใจเมื่อพุทธเจ้ายืนในใจพระธรรมยในใจพระเรศงสาวกยืนในใจเสื่อมั่นในใจแล้ว ยังไง น, นึกถึงคำบริกรรมภาวนาแล้วจะจับพปจนตรงไหนแล้วิตของราพอให้เป็นโตเป็นตอมจิตนัน้นอ่าเป็นเป็นนามนสวยเป็นติชื่อมันมีตัวมีตอมตนี่เราจะจับจิตคองเหล่านี้อืมเป็นโตเป็นตอมเราจะจับที่อยู่เราต้องนึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธรรมโธสังโธ พุทโธธัมโมสังโฆพุทเธธัมโมสังโฆสามวันแล้วให้รวมนจะพุทโธพุทโธพุทโธคนเดียวลับปางับปากนะลิ้นก็ไม่กระตุกอะไรเลือกในใจอะลืกในใจความรู้สึกอยู่ตรงไหนล้วตั้งสติสุขทีรู้ รู้สึกว่าอ้ยรู้ตรงไนรักั้ำสติตรงนั้นตั้งแค้นดูในตรงนั้นตาตะแค่นโดอยากเห็นหูก็ไปฟังอยากอยากไปยินะส ต, ต, ตาาิของเราเรตั้งไวอยากรู้จิตของเรานี้มันไปอยู่ในท่านใดภูมิใดหรือมันหลงหรือมันไม่หลงให้รู้จักมันไม่หลงเป็นยังไงมันดีเป็นยังไง มันไม่หลงมันเป็นอย่างนี้จิตของเราสงบมีสติมีสติตั้งโยคือรู้ความรู้ตรงไหนตั้งสติตงั้นมันดีไปอย่างนี้มันดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อดไม่วุ่นไม่วายสบายพุทโทความเบิกบานใจของเราธรรมโม ความเบิกบานการกระทำของเราทั้งโคความเบิกบานใจของเราปฏิบัติดีปฏิบัติทชอบงานมันดีใจเราดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่รม้อนไม่วุ่นไม่วายใจดวงนี้นําความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าแท่งดูเรแท้พอ ใ, ใจและสงบแล้ว ลายหตาจิตตลูตาลาหุแตวเบาอะไรนะอะไรอะฮะอ้าวพี่นี่ละลาหตาจิตตลูตาลาหุแตวเบานะ เมื่อจิตเบาแล้วตายกระเบาหายโรคหายภัยหายทุกข์หายย่าหายความลาบากลําคานสบายรบสบายใจมีละความทุกงความเจริญในปัจจุบันในเบื้อหน้าที่อยู่ของเราถ้าเราดับขันไปนี้ก็บสุขสติเป็นที่อยู่อ่าอย่นงนี้เราฟุ้งหักเวลาเราจะเข่าสงครามหรือเราจะดับขันไปนี้เราจะตั้มสติอย่างไรรับเดืเดือนี้เนี่ย อแล้วก็เมื่อเจ้าบทดันก็เราตั้งสติมันนิ่งสบายเมื่อทุกเวทนาไม่เคยมีมัมนได้รับแต่ความสุขความสบายเนี่ยนี่ละ่ะรู้จากอะไรความดีของเราครบของเราที่อยู่ทั้งเราแต่คิดเป็นนี่ละ่ะแต่รับความสุขในปัจจุบันในเบื้องหน้าแล้วมันต้องคำนึงถึงองอานดีนานาคบงานนาคบจะเราจะเป็นอะไรข้างหน้าดูเดือนนี้ละ่ะ ค่เดือนนี้เวลานี้มันดีทางหน้าก็ดีเวลานี้มันสบายทางหน้าก็สบายเวลานี้มันสงบทางหน้ามันก็สงบนะรู้เตะเพราะผู้นี้เป็ผู้เป็นเนี่ยดู้เตะอันนี้มันไม่ดีเป็นไงล่ะประคิตไม่ดีมันไม่สงบมันมันไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยวุ่นวายเดือดร้อน นะอันนี้ทําซับทํางไหนตบทุกเรือ่อในปัจจุบันในเบื้องหน้าเนื้อเป็นช่นนี้เราให้ภาครู้จักบางคนทําการทํางานทํำไมขาดคุนขาดลอนนี่ตบหลัตกตบการทําไมมันยุ่งมันยากให้ดูทิกรรมอะไรห่วงไทยอะไรเราดูที่ประจัยเราไม่ดีแล้วทำอะไรมันก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีนะี่ทำมาหนี่ที่นาให้เป็น ถ้าภรรยก็มีรัชการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ดีช้าบ้านร้านตราดของประเทศชาติก็ไม่ดีเมื่อใจล้วไม่ดีนะคิดดูเมื่อใจไม่ดีแล้วบุตรภรรยาสามีกนรักกันที่สุดเมื่อใจไม่ดีก็ทะเลาะวิ่งกันนนี้คิดดูตินี่จะว่าชาวบ้านร้านตราดนีล่าอใจเราดีแล้วไม่มีอะไรไม่มีโรืไม่มีอะไร เ yeah. นี่ยสงบตางคอนตังสงบที่ออ่ายประเทศฉาตสงบประเทศก็คือคนเป็นประเทศไม่ใช่ท่ออากาศเป็นประเทศความตังความมีคุณงามความดีตังคอนตังสงบมันก็ไม่มีโรืงมีอะไรเน่เอคือเรานั่งยู่ในเลยแล้วมากไกลไม่มีอะไรระเบียบเรียบ ร, ร้อยเหมด น, นะอย่างนี้ใี่ดูที่ใจคนใจเราเราก็มีจะได้ความชั่ว ความชั่วมาจากไหนกรรมมาจากไหนเล่ า, มมาะนะกรรมไม่ได้มาตรกป่าป่ากรไม่ได้ภูเขาเราก็มันมาจากบ้านจากเมืองของคนทางกายกรรมไม่ใช่กรรมมนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจวัวจาและเกิดจบดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เลยลอยว่าจี้กรรมมนันนเหลุกกรรมกรรมที่มโนกรรมความเหมือ น, นึกแล้วลึกกรรมใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่ว เราจะรับผลของกรรมสืบไปแล้วลกกรรมดีกรรมชั่ ว, วอะไรรับผลของกรรมสืบไปอันนี้เราจะรู้ได้ละกรรมดีแล้วภรรยางคือกรรมดีร่วมใมนสัส้นใจตัวดีมีความสุขความสบายเงี้ยเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทโธใจเบิกบานพุทโธใจสว่างไสวพุทโธใจใสใ จ, ใจสะอาดปราศ จ, จากทุกข์